ในเมื่อศึกษาทาไม่รู้ก็ถามครูบาอาจารย์อย่าไปถามปลายแถวนะไปถามองค์ที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะถามคนไม่รู้เหมือนถามตาบอดด้วยกันถามตาบอดทางนี่ไปไหนไม่รู้บอกก็บอกผิดผิดถูกๆอย่างนั้นเขาว่าไปอย่างนั้นเขาว่าไปอย่างนั้นไปก็ต้องถามครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่รู้จากนั้นท่านก็จะแนะนําสังสอนวิธีการปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติรู้จักแนวทางแล้วก็นั้นนะ่ะ